การเริ่มปฏิบัติทมก็เช่นเดียวกับเราเริ่มเรียนหนังสือเรียนหนังสือที่แรกเต็มไปด้วยความขี้เกียจความแม่บังคับบัญชาร้องห่มร้องไห้มไม่อยากเรียนยิ่งกว่าความอยากสนุกเพราะความสนุกถือเป็นความชอบของเด็กมากไม่ว่าเด็กใดๆก็เหมือนกันหมดเรความเล่นความสนุกนี้เด็กชอบ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 ความเลียบไหลหรือความมีหลักฐานมั่นคงความรู้วิชาที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังในอนาคตเมือ่อโตโตขึ้นมาเดียกก็ค่อยเข้าใจในเหตุผลนั้นๆแล้วพยายามศึกษารเรียนและทำหน้าที่การงานนั้นๆด้วยความสนใจเมื่งมาเป็นผู้ใหญ่นี่คิดกันแล้ว จะไปเป็นอย่างเด็กนั้นเป็นไม่ได้เพราะเหตุผลนึกความเข้าใจทุกด้านเกี่ยวข้องกับตัวเองนะอนาคตตัวเองตลอดครอบครัวซึ่งเาเป็นผู้ใหญ่แล้วนี้ต้องมีครอบครัวจะไปทําแบบเด็กนั้นทําไม่ได้มันจะจนกรอบจนมุมที่เกียดก็ไม่ได้ต้องทําเพราะเหตุผลบังคับให้ทํานี่ผลของงานก็เกิดขึ้นตามลําดับลาําดับผลงานนั้นก็เป็นเครื่อง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 ในการปฏิบัติเบื้องต้นแม้จะมีความเชื่อความน้อมไสในศาสนาอยู่ก็ตามแต่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าเป็นความฝ่าฟืนภายในจิตใจขางตกนอยู่นั่นแหละหากมีเหตุมีผลพอเป็นทูถายกันไปได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องจิตแม้จะมีเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่มันก็ต้องเผลอถลายเช่นเดียวกับเด็กเหมือนกันเพราะยังไม่เห็นเหตุถึงผลในการพิทักษ์ปฏิบัติซึ่งประจักษ์กับใจให้เกิดความสนใจขึ้นมา ตอนนี้เราต้องบังคับไม่ว่าแต่คารวาสญาณโยมแม้แต่พระผู้ปฏิบัติก็ยังต้องบังคับกันว่าเหตุนี้ศา ส, สนาท่านไม่บังคับใครก็จริงแต่ถ้าไม่บังคับให้คนมานรับนับถือเพราะศาสนาเป็นจุดบัติกลางเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของเงินทองะไม่ได้บังคับบังคับผู้ใดแล้วแต่ผู้นั้นจะมีความสนใจต้องการสิ่งใดก็ต้องสอบแสวงในสิ่งนั้นเช่นเราต้องการเงิน เราก็ต้องหางานมีงานก็มีเงินเป็นต้นตเงินไม่มาบังคับเรางานไม่มาบังคับเราแต่เวลาเราไปทํางานก็เป็นเครื่องบังคับในตัวเองมนเรื่องถือศาสนาศาสนาวางไว้เป็นกลางๆไม่บังคับให้ใครนั บ, น, บนับถือแต่เมื่อตอนนับถือแล้วนับถือด้วยเหตุใดน่ะเรามีเหตุผลของเราใ น, ในการนับถือศาสนาเมื่อเรานับถือแล้วเราจะทําอย่างไร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 แต่เมื่อเรารับนับถือแล้วกัเป็นสมบัติของเราเราต้องปฏิบัติตัวของเราบังคับตัวของเรานี้แหละในการปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อละเพื่อตอดถอนที่เละเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเพื่อความเฉลียวฉลาดตลอดเึ่งการตอบถอนทิ่เละไปเรื่อยดับหลังที่เราคาดไว้นะวิมุติพระนิพพานเป็นต้นนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราหนึ่งที่จะให้เกิดความมุสาพ ย, ยายามตะเกียบตะกายแม้จะลำบา ก, ลำ บ, กลำบนเพียงไรก็าตาม เข็ยนพิทางเดินของเราตั้งไว้แล้วอย่างนั้นนั่นต้องมันต้องตะเกียบตะกายไปจนได้เนี่ยทั้งทั้งที่จิตมันกิเลสมันไม่ยอมให้ไปคําว่าจะไปภาณิพานในกิเลสมันโอหขัดมากที่เดียวถ้าเป็นธรรมดาแล้วมันค่าเราคิดพินาศิบหายมันไม่ยอมให้ไปนี้กิเลสมันก็เป็นนามธรรมมันอยู่ภายในจิตใจเป็นติเพียงว่าทําการกีดขวางภาจิตใจที่เราจะบำรําเพื่คุณงามความดีนี่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 นี่เวลานิกิจของเราไม่ดีไม่ดีนี่แหละเป็นเหตุที่เราจะต้องทรมานนาะนเป็นเหตุที่เราจะต้องบังคับเป็นเหตุที่เราจะต้องปราบปรามกันให้เต็มเหตุเต็มผลถึงเหตุถึงผลเต็มสติกําลังความสามารถนี่อุบายสติปัญญาก็ขึ้นช่องนี้ถึงจะลําบากขนาดไหนมันก็ไม่ถอยเพราะเราทราบแล้วว่ากินของเราพยจกกินของเราดื้อด้าน เราจะทําอย่างไรจิตตั้งหลัถึงจะสงบตัวลงได้นี่เราก็ทราบเหตุผลในตอ น, นในเรื่องนี้คือต้องฝึกต้องท ร, รมานต้องบังคับบัญชาเอากันเต็มหนียวที่เ ย, เ, ยเมื่อจิตมันผ่าผลด้วยอํานาจของกิเลสเราก็ผาดผลด้วยธรรมสู้กันจนกระทั่งชนะไปเป็นพักพักความชนะเป็นพักพักนั่นแหละคือการแสดงผลแห่งงานของตนที่ ปรากฏขึ้นมาก็จะคือจิตหมอบลงไปจิตสงบลงไปด้วยอํานาจแห่งอุบายของการปราบปรามมุกการเทอรมานติดใจนี่เป็นสักขิพยานขึ้นมาเป็นระยะระยะที่ชนะมันเป็นพักๆไปขนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะเช่นเดียวกันนี้นี่แหละที่เป็นเหตุให้เราได้มีความอุตสาห์พยายามความยากความลำบากไม่ได้ยากเฉย ไม่ลำบากเลยเถอผลที่เกิดขึ้นมาจากความลำบากเพราะการฝึกการทรมานการฝืนจิตใจของตนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสนั้นมันเป็นสแสดงขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นผลดีผลดีเรื่อยๆจิตแม้จะผักผลขนาดไหนก็ตามสู้เราไม่ไปไม่ได้เพราะเรามีเครื่องมือได้แก่ธรรมของพระพุทธเจา้าขันติเอามาใช้ วิริยะเอามาสนับสนุนสติปัญญาไม่ลดละเครื่องมือที่ติดแนบอยู่กับมือเราคาดฟันลงไปยิเลศ จ, จะหาวิธีแสดงคุณมายาออกมาด้วยวิธีใดสติปัญญาเป็นเครื่องปราบยิเลสต้องนำมาปราบจนได้ปราบยิเลไมาได้เราแพ้คนที่แพ้อยู่ที่ไหนมันสบายที่ไหนแม้แต่กีฬาการกีฬาแพ้เขายังไม่สบายเลย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 สาวกท่านชนะถึงได้เป็นศาตาถึงได้เป็นสารณะของพวกเราทำที่ได้ปรากฏขึ้นในโลกเพราะความชนะเนี่ยและทำที่จะปรากฏขึ้นภารกิจของเราเพราะความแพ้มีอย่างเหลือขัดกันกับศาสนธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้และอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพานาเนินมามันขัดกันเราต้องนํามาคลี่คลายแยกแยะเทียบเคียงเหตุผล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 ที่ธรรมะที่มาพระุทธเจ้าแม้แต่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนเขายังมีเครื่องมือมากมายกายกองเป็นลํารดลํารถที่ดื้อเขาทําไมไม่มีเครื่องมือเพียงอันเดียวอันนี้เครื่องมือปราบกิเลสภารกิจใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทะมีกี่ชนิดไม่ใช่จะนอนหมอบล่าให้เราตีให้เราฟันให้เราฆ่ามันตายละนๆๆีแล่นตลอดเวลาดีไม่ดีเข้าไปมันฟันเราซะก่อนแล้วถ้าเข้าไปยังไม่ถึงเขตแดนของมันเลยมันออกมาดักฆ่าเราอยู่ ปากทางเยอะตายพี่นาสัตตโลไปหมด่ะเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเราจะทําอย่างง่ายๆทํายทอย่างสมายสายๆแบบมัชชิมาของกิเลสมันไม่ได้มัชชิมาของกิเลสมีแต่วความอ่อนแอมีแต่วความยอมตามมีแต่วความจำนนอยู่ตลอดเวลานั่นคือมัชชิมาของกิเลสมันชอบที่สุดแต่มัชชิมาของทําแล้วกิเลส จ, จะหมอบลากไปด้วยวิธีใดเอาวิธีนั้นมาใช้ปเป็นก็ตามตายก็ตา ม, ตาตามโลกนี้มีประช้าอยู่ทุกร่างทุกกายเขาก็ตายเราก็ตาย ตายไม่มีเกียรติตายด้วยความอ่อนแอตายด้วยความท้อแท้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรตายด้วยความอายตนบ่บ่าตายด้วยความมีชัยชนะตายด้วยความกล้าหาญการต่อสู้ตามหลักศีศาสนาที่สอนไว้นั่นแหละสมกำน้ำหรือว่าพุทธทางสนางกระฉามนี้แล้วเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นคงไชัยปราปรามพิเรตจนได้รับชัยชนะขึ้นมาเป็นพักพักหีบอย่างว่ามัชชิ ม, มาเป็นชั้นชั้นอย่างนี้แหละมัชชิ ม, มา พิเลศผาดผลมัติมาผ่าผลเอาให้ถึงกันถึงกันพิเรศละเอียดลงไปมัติมาละเอียดพิเลศแหลมคมละเอียดลงไปขนาดไหนมัติมาได้แก่สติปัญญาแหลมคมขนาดนั้นตามต้อนทันทนกันโดยลําดับๆเอาให้พินาศไปหมดไม่มีเหลือเลยเห็นในระยะต้นๆที่เราฝึกอบรมต้องมีความยากความลําบากลําบนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพิเลศมันมีมากมันมีแต่เรื่องเล่เหลี่ยมแหลมคม ยั่วอย่างนั้นยั่วอย่างนี้หลอกอย่างนั้นลวงอย่างนี้อยู่เรื่อยพณะจิตใจไม่ให้เราประกอบความภาคความเพียรด้วยความตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยมันทําให้ล่มทั้งนั้นทำให้ใหเอง ท, ทางนี้อยู่นั่นแหละเราให้ทราบว่าสิ่งเได้ที่จะเป็นภัยต่อความดีนั่นแนหะคือกิเลส ท, ทั้งหมดเราอยาเขา้าใจว่ากิเลสมันตั้งป้อมอยู่ไหนมันตั้งป้อมที่หัวใจเราขณะที่เราเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่จะทําความดีนั่นแหละกิเลสมันจะนอนหลับอยู่ก็ตามมันจะขึกคักตื่นขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปปลูกมันแหละ ก็คิดว่าจะสร้างคุณ ง, งามความดีฮะที่เหล็กมันจะตั้งท่าสู้เราแล้วแล้วปราบเราอยู่หมัดด้วยนี่กว่าจะไปอย่างนั้นนะฮะจะไปทําบุญทำทานไปรักษาศีลภาวนามันจะต้องห า, าวาุ้ยมาไม่ได้นะน้องานอย่างนั้นน้องงานอย่างนี้ยุ่งนะยุ่งอย่างนี้เอีกว่าจะลําบากลําบนอะไรอดเข้าขำเข้าเย็นรักษาศีลธรรมไม่สะดวกสบายมันยุ่งไปหมดเลยมันหลอกเราตอนที่เรายังไม่เห็นผลก็ต้องยอมมันเนี่ย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 จิตใจงเรามีคุณค่าตัวขงเรามีคุณค่านี่แต่ความรุ่มร้อนหาแต่ที่เกาะหาแต่ที่อาศัยอัตยิสโนนาโถตัมีชื่อเงของตนไม่สนใจเลยนี่แต่พึ่งผู้อื่นพึ่งอะไรกันมาทราบพึ่งเดือนพึ่งปีพึ่งวันพึ่งเวลาเวลาพึ่งสมบัติประทานพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งญาติพึ่งวงพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งลูกพึ่งหลานคิดไปพึ่งไปหมดที่จะพยายามพึ่งตนเองนั้นมันไม่คิดนี่ที่เวลาเราได้สร้าง ความสงบขึ้นภายในจิตใจของเรานี้เป็นอัตถิิทธนุนาโถขึ้นมาแล้วที่เราไม่ได้คาดคิดอ๋อนี่เป็นที่พึงมีความเย็นมีความสบายหายว่าเวทที่จะพึงมน่นพึงนี้พอได้หลับขึ้นมาภายนจิตใจนี่แหละเรียกว่าอัตถิอิทธนุนาโถได้เริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วจากความเพี่ยนของหลัาเป็นผลขึ้นมาแล้วเพอจากระยะนั้นไปแล้วความมุสาพยามันมาเองมาเรื่อยๆเพราะเห็นผลมีต้นทุนอยู่แล้วนี่จะข า, าจะขายก็พอเป็นไปเพราะมีต้นทุน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 ผลก็ปรากฏขึ้นมาเย็นใจสบายเยน็นเพียงสมาธิเท่งนั้นก็เห็นคุณค่าของตอนเองหนึ่งเห็นคุณค่าของศสาสนาเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของตอนเป็นลำลหนับลำดาอ้าวพิจารณาที่ทางด้านปัญญามีความสงบครั้นี้แล้วเป็นต้นทุนแล้วอา้าวปัญญาออกท้ายพิจารณาทั่วโลกทั่วสงสารนี้เป็นไรอืโลกมันมีอะไรคำว่านิจังทุกขลตานี้ต้องได้เทศทุกวันเพราะโลกนี้มีเต็มไปด้วยนิจังทุกขลตาในใจของเราก็เช่นนั้น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 จะสร้างไปจากกี่พันชั้นอ้าวมันก็ออกมาจากอิฐจากปูลจากหินจากทรายนั่นเองแล้วไปหลงอะไรมันอืกี่พันชั้นมันก็คืออิฐคือปูนคือหินคือทายคือเดล็กอะไรเหล่านี้ซึ่งเต็มอยู่แผ่นดินนี้เองแล้วไปตื่นอะไรมันนี่การพิจารณาด้วยปัญญาคนเราก็คนเขาก็คนตื่นอะไรกันเนี่ยเสียงเราก็เสียงเราก็มีเสียงเขาก็มีเสียงตื่นอะไรกลิ่นเราก็มีกริ่นเขาก็มีกริ่นตื่นอะไรกัน รสเราก็มีเรารู้อยู่ทุกวันรถอะไรบ้างเราก็รู้แล้วตื่นรถอะไรอีกเ ค, ครื่งงองสัมผัสสัมผัสทั้งวันทั้งคืนตื่นอะไรสัมผัสมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้ยังไม่หายตื่นเลยหรือตื่นอะไรอารมณ์เครื่องยอยุโยนภายนจิตใจที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรงสัมผัสที่เคยสัมผัสมาตั้งแต่อดีตมันก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วตื่นมันอะไรอีกนี่กองอ้จังทุกขังตาพิจารณาให้มันชัดด้วยปัญญาให้ซึ้ง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 แล้วก็คล้อยตามให้กิเลสพันเอาฟันเอ า, น, เอานอนอยู่กับกิเลสนั่งบนหัวะ <c oughs> วางไงยืนเดินนั่งนอนมันก็กิเลสนั่งอยู่บนหัวเราทั้งนั้นแหละบนหัวใจ <c oughs> ไม่ใช่หัวอะไรบนหัวใจสร้างปัญญาขึ้นพขึ้นมาให้เห็นความจริงของโลกมีหรือไม่มีมันก็เป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นตั้งแต่เราจังไม่เกิดเราตายไปแล้วมันก็มีอยู่เช่นนั้นสลายไปเช่นนั้น เปียนแต้งมันไปโดยลําดับลำดานี่คือเรื่องของปัญญาพิจารณาการพิจารณาเช่นนี้ก็เพื่อจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นความตํางการจดตั้งตนด้วยความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญามันก็เบาปล่อยไปได้ปล่อยได้ปล่อยไ ด, ยได้ความกังวลมันก็ไม่มีคนเราเมื่อไม่มีกังวลมากรบกวนจิตใจมันก็สบายเหมือนกัำน้ามันมีอะไรควนมันก็ใสสะอาดถ้ามีอะไรกวนแม้แต่ไม่มี ตะกอนอยู่ก้นเลยมันยังขึ้นฟองได้เพระว่าอะไรจิตใจยิ่งก่อกวนตัเดียงอยู่ตลอดเวลาด้วยความโง่เขลาว่าิญญาณด้วยแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนก็อยู่ไหนก็ไปอยู่เธอถ้าจิตยังมีสิ่งที่ก่อกวนจิตใจให้เดือดร้อนมันไวตลอดเวลาแล้วมันต้องร้อนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนั่งอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนเดินอยู่ก็ร้อนอยู่บนเครื่องบินมันก็ร้อนเพราะว่าอะไรแล้วจะเข้าใจว่าที่ไหนมันเป็นที่เย็นมันเย็นที่ใจนี้เท่านั้น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 สำคัญผิดในสิ่งต่างๆออกจากจิตใจของตนด้วยปัญญาเป็นขั้นๆถอดเอาโดยลําดับลํำดับลําดับเมือนั่งที่ท่านสวดถอนโบดนั่นเองนี่ท่านทําเป็นอุบายสําคัญมากเลยทีเดียวท่านสวดถอนสีมาท่านสวดถอนอย่างไงเราเคยเห็นท่านถูกพระทัตทีมาท่านสวดถอนซะก่อนพระสงฆ์มาจํานวนมากมาเรนเป็นแถวก็สวด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 ทางรูปทางเสียงตื่นรถเครื่องสัมผัสกว้างแคบขึ้นจิตมนไปสำคัญมัน ห, หมายกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาให้เห็นเห็นผลตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นทอนความยึดมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งเข้ามาถึงาธาตุขันต์ตัวเองมีเป็นสิ่งสําคัญพิจารณาแยกแยะดังที่เคยอธิบายแล้วนั้นเรื่องร่างกายของเรานี่มันมีความจริงอยู่ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เคยปลอมมันปลอมแต่ความรู้ความเห็นของเราที่ไปสําคัญเขาไปหา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 พิจารณาให้เห็นตามความจริงส่วนไหนร่างกายของเรานี้มันจะตั้งอยู่ได้นะหนาถ้าวอนมีไหมเราดูให้เห็นชัดเจนมันไม่มีมันเตรียมตัวเดินไปตามทางสารจัทุกนณฏต า, าอยู่ตลอดเวลาทุกอียาบทแม้แต่หลับมันไม่เคยลดหย่อนผ่อนผันไปตามเดือนปีนาทีโมงเลยเดือนก็เป็นเดือนปีก็เป็นปีเขาก็ ห, หมุนไปของเขาตัวนี้ก็หมุนไปตามหลักธรรมชาติของตนเองใจจะนอนใจอยู่ได้อย่างไร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 เรายังจะไปยึดไปถือมันอยู่หรอไฟจะไม้อยู่แล้วเอาปล่อยอันไหนที่ควรปล่อยปลอยอสติปัญญาไม่ยอมปล่อยพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องไหนที่ควรสติปัญญาจะรู้เอากาหนดให้รู้ปล่อยวางมาโดยลําดับลําดับฮะรูปจะเป็นสมบัติอันหนึ่งไฟมันกระเจิกำลังไหมอันนี้จังทุกครั้หน้าตามันไหมตลอดเวลาอ่พาพยายามพิจารณาเอาปล่อยลงไปรูปนั่นก็คือก็คือธาตุดินนั่นเองเอาดินมาแบบว่าเป็นตนมันไม่น่าอายบ้างเหรือ ดินทั้งแผ่นมาแบบเป็นตนเอายก ด, ดินทั้งแผ่นนี้มาแบกไม่ได้ก็ยกเอามาขนาดรูปกายอันหนึ่งมาแบกบมันหนักขนาดไหนพายืนพาเดินพานั่งพานอนนี้ไม่ใช่เพราะความหนักนั่นเหรอหนักด้วยความหิวความโหยความไม่สะดวกสบายกายเจ็บท้องปวดหัวล้วนแล้วแต่ความหนักหน่งวงท่วงจิตใจทั้งนั้นแล้วจะไม่เห็นโทษทั้งมันอยู่หรือแผ่นดินก้อนนี้มันก็หนักขนาดนี้เอาเวทนามันก็เสียดก็แทงเข้ามาทุกระยะ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 นายเห็น ช, ชัดนะสัญญาเนี่ยตัวสําคัญสังขารยกให้สัญญายึดมั่นเนี่ยสังขารยื่นให้สัญญายึดมั่นยึนมั่นกวาดเข้ามากวาดเข้ามาฝังพรา จ, จิตใจนี่ตั้งแต่เสี้ยนแต่หนามเต็มไปหมดภาร จ, จริตใจเป้นหาที่ปลอดภัยไม่ได้แม่แต่นิดหนึ่งทูกความสําคัญรน้ำหมายนี่มันทิ่มแทงภาราจิตใจกันแหลมมอดฮฮวิญญานรับทราบขนาดที่สิ่งมาสัมผัส ยับยยับยเท่านั้นมีสาระอะไรเสียงกระทบภาพดับพร้อมอะไรมาสัมผัสแล้วก็ดับพร้อมดับพร้อมเราจะไปถือเอาสิ่งที่เกิดกับดับพร้อมว่าเป็นตนไม่ยางเลนยนะยันชัดใครมันไปหลงไปมงมงายกับสิ่งมันนี้ถ้าไม่ใช่จิตตัวอวิชาครอบหัวมันอยู่นั้นค้นเข้าไปพิจารณาเข้าไป ตัวนั้นนหละตัวหลงจริงๆราไม่ออกเป็ความหลงจริงคืดใจเพราะฉะนั้นใจจึงต้องรับกต่ทุกทั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนความปรุงปุงมาจากไหนสัญญาหมายมาจากไหนหมามาจากใจเกิดขึ้นก็เกิกเกกดขึ้นเช่นดับตรงไปที่นั่นอะไรๆเกิดขึ้นนั่นดับไปที่นั่นร่าแก้วมันไม่ดับมันก็ขักดันออกมาให้เกิใดให้ดับอยู่เรื่อยๆอยนั่นอ้าวพี่นาไป ใจนี่มันก็เหมือนหัวเปลกหัวมันเวลามันยังสดๆยังไม่ได้ต้มเนี่ยหัวเปลกของมันแม้จะเป็นของควรแก่อาหารก็ตามแเมืองันไม่สุกมันก็เป็นของเป็นเป็นพิษี่มันจะควรเป็นอาหารได้อย่างไรในขณะที่มันยังสดๆอเวลานี้จิตมันก็เป็นเช่นนั้นมันยังไม่ควรจะความนอนใจ เป็นความสุกกันสมบูรณ์ได้เพราะมันเจออด้วยยาพิษมีอยู่ภายในเช่นเดียวกับหัวเผของมันที่เกือด้วยพิษของมันเราต้องต้มให้มันจืดหมดที่เมื่อจืดหมดแล้วพิษภัยในของมันก็ถูกขับไล่ออกหมดจากด้วยความร้อนก็เหลือแต่รสธรรมชาติของมันเช่นเผือ้รับทานลงไป อ, อร่อยๆไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษเป็นรสธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ภายในตัวของมันเอง จิตใจก็เหมือนกันเมื่อได้ถูกซากพ่อออกด้วยตปะธรรมคือความเพียรแพร่เผาที่เลือดซึ่งมีอยู่ภายในาจิตใจนั้นออกจนหมดแล้วเหลือแต่รสธรรมชาติของจิตแท้นั่นแหละท่านว่าอัมรตังรสแห่งธรรมก็คือรสของใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆมีอยู่ภ า, ายในใจรสแห่งธรรมชำนาะถึงรสทั้งปวงมันชำนาญที่นั่นคือมันปรากฏขึ้นที่ใจรสแห่งธรรมเกิดขึ้นที่ใจ เพราะอำนาจของสติปัญญาขับไล่พิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจนั้นออกหมดเหลือแต่รสธรรมชาติล้ ว, น, ลวนท่านหับปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพระนิพพานอยู่ที่ไหนและใคยที่ติดคุกติดตรางเพื่อขี่เหลือตัญหาจองจำอี่ตลอดเวลานั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ใจเมื่อใจได้ปลดเพื้องออกมาเป็นดิสละจากขีเลืตัญหาแล้ว้ายจะเป็น เป็นผู้พ้นโทษใครผู้พ้นโทษเราจะเรียกคุณ น, นั้นเป็นนิพพานจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นชื่ออันห น, นึ่งนิพพานัางปรามังสุ ข, ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจที่พ้นจากกิเลสแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเอาให้เต็มเม็ด เ, เต็มหน่วยเลยใจที่หมักหมมอยู่กับกิเลสแล้วเป็นใจที่ทุกข์อย่างยิ่งนั่นว่าไงนนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วหลงนิพานนานพานไปไหนเวลานี้วาดภาพนิพพาน น, น้นวาดภาพนิพพานพานี่วาดประธา น, านะะไม่ยุ่งไปหมด ถ้ามันหลอกตัวเองเอาให้ถึงความจริงรู้ิชาท่านสอนจริงถ้าไม่สอนหลอกลวงให้มันเห็นความจริงของวัตถุภารคืออะไรเมื่อไปถึงความจริงแล้วจะเรียกชื่อนิพพานไมนเรียกไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งหมดเ<ะ>พราะตัดออกแล้วมันถึงความจริงแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกปรมังสุขขงังปรมังสุขขังก็คือจิต ด, ดวงที่พ้นจากสิ่งกฎท่วงทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่มีอิสระเต็มที่และเป็นปรมังสุขขังอย่างเต็มดวงทีเดียว มี่อยู่ น, นี้วความรู้ที่รู้รอยู่เวลานี้แหละที่จะเป็นปร r a m a n g ข u k h a เวลานี้กําลังถูกกดถ่วงเรากําลังชําละเรากำลังซักฟอกเรากำลังขับไล่เรื่อความภาคความเพียรทั้งเราโดยวิธีต่างๆตามจลิตนิสัยความสามารถของแต่ละรายหลายไว้ทำความพยายามเห็นคุณค่าซึ่งมีอยู่ภายในตัวเป็นของที่มีคุณค่าอยู่แล้ว แต่ถูกทับผมด้วยสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้นอกจากเป็นโทษเท่านั้นจิตจริงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอัศจรรย์แต่อย่างใดเลยเวลานี้เรากําลังบุกเบิกสิ่งที่ปิดบงังนี่ปิดบงัง จ, จิตใจไม่เห็นความจริงขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาอย่างเต็มที่ตามกําลังของมารมะของเรา คำว่าสุขในขั้นใดๆนั้นเราจะไม่ถามที่ไหนนอกไปจากใจของเราที่รู้อยู่โดยหลักความตัวเองเท่านั้นจนกระทั่งถึงปรมังสุขขังจะไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปถามที่ไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ถามเมื่อถึงความจริงแล้วไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากอยากประหาประโยชน์อะไรความอยากคือความบกพร่องไม่ใช่หรือความหิวโหยเป็นของดีเหรือความอยากไปนิพพานมันก็คือความหิวนั่นแหละความบกพร่องนั่นแหละมันถึงอยาก เมื่ออิ่มแล้วมันจะอะไรจะอยากไม่อยา ก, ยากหวานก็นแล้วข้าวก็แล้วอะไรอร่อยขนาดไหนที่เคยะทานมามันก็ไม่อยากเพราะมันอิ่มแล้วมันพอแล้วธาตุขันพอแล้วรับไม่ได้อีกนี่ีกิดเมื่อพอตัวทําพอตัวภารกิจแล้วคำอันนิพพานก็ไม่อยากอยากไปหาอะไรแล้วรู้ด้วยว่านิพพานคืออะไรนี่มันก็มีท่านั้นอะระเอวา